ได้มีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงคำสอนทุกคำทุกบททุกบาทที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎก แต่งส0 0พันพระธรรมคันลวนเป็นความจริงทั้งสิน้นเป็นความจริงที่ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสสามารถพิสูจน์ได้เป็นสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ย่อมเห็นได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ลึกลับแต่อย่างใดไม่ได้สงวนลิขิต ไม่ต้องเสียเงินซื้อเพื่อที่จะให้ได้พบกับความจริงอันประเสริฐนี้เพียงแต่ขอให้มีศรัทธาความเชื่อที่จะนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นแล้วผลที่อันเลิศอันประเสริฐย่อมเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอน คาจริงของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกคือไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้เสื่อมไม่ได้หายไปไม่ได้หมดหมดมักคหมดผลไปตามการตามเวลาแต่ยังมีอยู่คู่กับโลกไปตลอดอยู่ที่ผู้ที่ปฏิบัติ จะสามารถทำให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองไม่ได้เป็นไปกับตามการตามเวลาบางท่านอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จนิพพานไปแล้วพระอาหารหันต์สาวกก็นิพพานกันไปหมดแล้วพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องหมดไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นดังนั้น เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกนี่เองไม่เสื่อมไม่หมดไปตามการตามเวลาผู้ที่ปฏิบัตินำเอาไปปฏิบัติย่อมได้รับผลเช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติในสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามีพออาระอรหันต์ตาวกทั้งหลายอยู่ดังนั้น เราจึงไม่ควรที่จะคิดว่าพวกเราหมดโอกาสแล้วเพราะมรรคผลนิพพานนั้นหมดไปแล้วปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้มรรคผลผนิพพานนี่เป็นความคิดที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความคิดที่ถูกต้องคิดว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ ยังสามารถยังผลอันเลิศอันประเสริฐให้เกิดขึ้นได้เพราะมรรคผลนิพานนี้ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นแต่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้ามีการปฏิบัติ ทั้ง4ประการดีแล้วมรรคผลนม่พานย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีซึ่งตางกับปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติปฏิบัติอุชุ อุปติปันโนก็คือปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงก็คือตรงต่อมรรคผลนิพพานยายะปฏิปันโนคือปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายสุยายะสามิจิปฏิปันโนคือปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีการปฏิบัติทั้งส่ประการนี้แล้วมรรคผลย่อมเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปและเมื่อได้ปรากฏมรรคผลขึ้นมาในจิตใจแล้วก็จะไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่จะมีอยู่จะไม่มีความสงสัยอยู่ภายในจิตในใจเลยความสงสัยนี้จะมีอยู่แต่ในจิตในใจของผู้ที่ไม่ปฏิบัติ ต่อให้ได้ยินได้ฟังมากน้อยเพียงไรถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนแล้วก็จะไม่หายจากความสงสัยไปได้เพราะไม่ได้เปิดตาในไม่ได้ชำระความมืดบอดความหลงที่ปกปิดสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั่นเองดังนั้นเราต้องปฏิบัติและก่อนที่เราปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาต้องได้ยินได้ฟังต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราไม่ศึกษาและเราไปปฏิบัติเราก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิดุกทุกท ถ้าเป็นดังนั้นก็จะไม่ได้ผลตามมาและอาจจะได้ผลที่ไม่พึงปรารถนาตามมาก็มีดังที่เราคงได้ยินกันว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจะทำให้คนเป็นบ้าเนื่องจากเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนว่าการนั่งสมาธินี้นั่งเพื่ออะไร ผลที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิก็ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษและไม่รู้จักระงับ ความคิดปรุงแต่งของตนไม่รู้จักรงับการพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดของตนเนี่ยคือปฏิบัติแบบไม่มีสตินั่นเองพอปรากฏเห็นอะไรก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็หลงตนเองว่าตนเองเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วก็ประกาศให้ ชาวบ้านรู้จนชาวบ้านเขาเห็นว่าเป็นเหมือนคนบ้าไปนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาก่อนนั่นเองว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีอะไรบ้างในเบื้องต้นก่อนที่เราจะปฏิบัติไปถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาได้เราต้องมีขั้นทานก่อนเราต้อง เสียสระบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราถ้าเรายังยึดติดอยู่ก็แสดงว่าเรายังถูกความหลงหลอกให้เรายินดีกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตกับใจและจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ทำขั้นสูงต่อไปก็คือการรักษาศีลการที่เราจะรักษาศีลได้เราต้องมีจิตใจที่เป็นกุศลคือเป็นจิตใ จ, ใจบุญสมรรธาไม่โลภไม่หวงไม่ตเนีเพราะถ้ายังมีความตนียยังมีความโลภอยู่ก็จะรักษาศีลได้ยาก เพราะคนที่มีความโลภ ก, ก็อยากที่จะได้มีสมบัติเข้าของเงินทองมากขึ้นไปเมื่อมีความอยากก็ต้องมีการสแสวงหาเมื่อมีการสแสวงหาก็จะสแสวงหาในวิธีต่างๆถ้าหามาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็จะหาโดยวิธีทุจริตก็จะทำให้ไม่มีสิน จะทำผิดศีลนั่นเองจะทำให้การรักษาศีลยากลำบากดังนั้นในเบื้องต้นต้องเสียสละต้องบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพนี้ให้ออกไปให้ได้ต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อกับ ของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาแต่ของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นของที่ไม่จำเป็นอย่าไปหามาเพราะจะทำให้เราเสียเวลาจะต้องหามาเรื่อยๆเพราะมันจะไม่รู้จักคําว่าพอนั่นเองถ้าลองซื้อของที่มันไม่จำเป็นมาแล้วมันก็แสดงว่ามันไปด้วยความอยากซื้อมาด้วยความอยาก ซื้อมาด้วยความโลภนั่นเมื่อซื้อมาด้วยความอยากความโลภแล้วความอยากความโลภ ก, ก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปอีกจะไม่มีน้อยลงมาซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปเดินตามห้างตามร้านเห็นสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะซื้อมาอีกทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นเพราะเรามีพอเพียงแล้ว เช่นเสื้อผ้าเป็นต้นเสื้อผ้าเรามีล้นตู้แล้วแต่เราก็ยังอยากที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใสาอีกอย่างนี้จะทําให้เรารักษาสินได้ยากเพราะเราจะต้องใช้เงินมากเมื่อใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากเมื่อหาต้องหาเงินมากหาอย่างที่ สุดเจริไม่ได้ก็ต้องหาอย่างทุจริตมาจึงรู้สึกว่ารักษาศีลยากสำหรับคนที่ชอบใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยไม่ส ม, มะะัตไม่มักน้อยสัมโดดดังนั้นขอให้เราฝึกการอยู่แบบมักน้อยสัมโดดไว้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลย ขอให้เราใช้เหตุใช้ผลเท่า น, นั้นเองถ้าเรายึดอยู่กับหลักของเหตุผลแล้วเราจะชนะความโลภความหลงได้เวลาที่อยากจะซื้ออะไรมาใหม่ถามตนเองก่อนว่าของเก่าที่มีอยู่นี้ใช้ได้หรือไม่ถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมาใหม่ถ้ามันไม่มีแล้ว จำเป็นที่จะต้องซื้อมาจริงๆก็ซื้อมาได้ถ้าซื้อมาด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันจะไม่ติดนิสัยมันจะไม่อยากจะซื้อใหม่อีกคราวหน้าเพราะเวลาจะซื้อใหม่กขกคราวหน้าก็จะใช้เหตุผลอีกเช่นเดียวกันนี่คือวิธีระงับกับความโลภความอยากต่างๆต้องใช้เหตุผลเสื้อผ้ามีพอหรือ ย, ยังพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อ รองเท้ามีพอหรื อ, อยังพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้าไม่พอก็ซื้อถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้และเราจะมีเงินเหลือที่จะนำเอาไปทำบุญให้ทานและเราไม่ต้องไปแสวงหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ชอบผิดศีลผิดธรรมก็จะทำให้เรา เป็นคนมีศิลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเราไม่มีความจําเป็นไม่มีความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปแสวแหงหาโดยวิธีที่ไิ่ชอบผิดศีลผิดธรรมเราก็จะมีศินขึ้นมาเพราะก่อนที่เราจะภาวนาหรือบำเพ็ญสมาธิ ได้เราต้องมีศีลก่อนเพราะศีล น, นี้จะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบเย็นไม่วุ่นวายไม่มีความวิตกกังวลต่างๆนาน า, นาถ้าไม่มีศีลไปทำผิดศีลแล้วใจของเราจะมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องไปรับใช้ บาปกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้เวลาจะทำจิตใจให้สงบจะยากจนไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเรามีศีลเราได้ตัดความโลภความอยากให้เบาบางลงไปโดยการอยู่แบบสมถะเรียบง่ายจิตใจไม่ค่อยกระตือรือร้น กับการอยากไปหาสิ่งต่างๆไปซื้อสิ่งต่างๆที่ฟุ่มเฟือยมาบำรุงบำเรอจิตใจเพราะใจได้รับการดูแลรักษาด้วยการทำบุญให้ทานทำให้จิตใจมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความพออยู่ในระดับหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้ เวลาที่จะมาทำสมาธิทำจิตใจให้สงบก็จะทำได้อย่างง่ายดายไม่ลาบากยากเย็นถ้ารู้จักวิธีที่ทำให้ถูกต้องก็คือต้องมีสติคอยควบ ค, คุมใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆนานาถ้าใจยังคิดเรื่องราวต่างๆนานาอยู่ใจจะไม่สงบ แต่ถ้าใจคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับคําว่าพุทธโธพุทธโธบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นดึงเอาไว้เวล า, าเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาคิดกับคําว่าพุทธโธพุทธโธอย่างนี้ถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่อง พุทโธอยู่กับใจอย่างต่อเนื่องใจก็จะค่อยสงบลงไปเหมือนกับรถที่จะค่อยๆวิ่งชะลอความเร็วลงชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรถก็จะหยุดนิ่งใจของเราก็เช่นเดียวกันความคิดก็จะค่อยๆเบาลงไปเบาลงไปน้อยลงไปจะคิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธไป จนในที่สุดก็จะสงบนิ่งพอสงบนิ่งแล้วพุโทโธก็ไม่ต้องมีต่อไปไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องคิดคำว่าพุโทโธต่อไปเพราะเราได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแล้วก็คือความสงบนิ่งของใจของจิตนะขณะที่จิตสงบนิ่งอยู่ก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนจิตแต่อย่างใด จิตจะสงบนิ่งอยู่นานหรือไม่นานก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากความสงบนิ่งแล้วค่อยควบคุมใจอีกต่อไปจะควบควบคุมใจด้วยวิธีสมาธิต่อไปอง ก, ก็ได้หรือจะควบคุมใจด้วยวิธีวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่เรา จะสนใจหรือพอใจที่จะทํานแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นถ้าจิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงอะไรก็ถือว่าเป็นผลที่ดีแล้วถ้าไม่เห็นอะไรยิ่งดีใหญ่เพราะการเห็นนี้ไม่ได้มีคุณมีประโยชน์เสมอไปส่วนใหญ่สิ่งที่เห็นนั้น จะไม่มีคุณประโยชน์ต่อการการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อการดับของความทุกข์ทั้งหลายต่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่เห็นนั้นอาจจะเป็นกายทิพย์อาจจะเป็นการรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีต หรืออาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตเองที่ไม่ได้มีความจริงเลยที่ไม่เป็นความจริงเลยถ้าเรานั่งไปแล้วขอให้เราระบัดระวังถ้าเกิดเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเบื้องต้นไม่ควรที่จะตามไปควรจะดึงจิตกลับมาสู่พุทธโธพุทธโธให้จิตสงบนิ่งไม่ให้มีอะไร กลับเข้ามาเหมือนกลับเข้ามาใหม่อย่าตามตามไปกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเพราะถ้าเราตามไปแล้วจิตของเราจะไม่สงบจะไม่นิ่งจะไม่เป็นอุเบกขาจะไม่มีกำลังจะไม่ได้พักผ่อนพอออกจากสมาธิที่ไปตามรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิ จะไม่มีกำลังที่จะควบคุมจิตใจหรือบังคับจิตใจให้พิจารณาไปทางด้านปัญญาดังนั้นไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็ตามขอให้เรากำหนดว่าเป็นไกรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาคือเป็นคือไม่เที่ยมมันเกิดมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว มันไม่ได้วิเศษอะไรมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ให้ความสุขอะไรกับเราอย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีสาระมีคุณมีประโยชน์แต่อย่างใดถ้ารู้ก็ให้รู้ไว้เฉยๆอย่าไปหลงคิดว่าเราบรรลุแล้วเราวิเศษแล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าหลงแล้วเพราะสิ่งต่างๆที่ ปรากฏขึ้นนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจของเราสะอาดหรือบริสุทธิ์ขึ้นแต่อย่างใดความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิมแต่กลับจะมีมากขึ้นไปอีกเสียด้วยซ้ำไปถ้าไปหลงคิดผิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วได้เป็นผู้วิเศษแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคน ที่เวลานั่งสมาธิแล้วปรากฏเห็นอะไรขึ้นมาก็หลงคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วได้เป็นผู้วิเศษแล้วจึงทําให้กลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดเพราะความวิเศษของคนเราไม่ได้อยู่ที่ความรู้ชนิดต่างๆเหล่านี้ความวิเศษของคนนั้นอยู่ที่การสิ้นกิเลส การหมดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นที่จะทําให้เป็นผู้วิเศษได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้วิเศษเพราะถ ท, ท่านสิ้นกิเลสแล้วถึงแม้ท่านจะมีความรู้พิเศษต่างๆมีฤทธเดชต่างๆแต่ท่านไม่ได้ใช้ฤทธเดชนั้นมาอวดมาแสดงความวิเศษของตน แต่ท่านทรงนำเอาจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นกิเลสสิ้นความโลภความโกรธความหลงนี้มาอวดมาประกาศถึงความวิเศษของท่านอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้ายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ต่อให้มีฤทธิ์มีเดชมากน้อยเพียงไรก็ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษ ดังมีเรื่องที่เล่ากันมาในในพระในพระไตรปิฎกว่ามีฤาษีนั่งบวชอยู่รูปหนึ่งมีความสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้จนเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดินเวลาจะไปเยี่ยงพระเจ้าแผ่นดินก็จะเหาะเหินเดินอากาศไปในวังอยู่มาวันหนึ่ง ฤสีนี้ก็ได้เหาะเหินเดินอากาศเข้าไปในวังแต่พอดีผ่านไปทางห้องบรรทมของพระราชินีขณะนั้นพระราชินีกาลังเรื่องผ้าเปลี่ยนผ้าอยู่ก็ทำให้พระฤสีองค์นี้เกิดมีความอยากมีตัณหาที่อยากจะร่วมเพศกับพระราชินี ก็บินเข้าไปในห้องพระราชินีและได้กระทำสิ่งที่ตนเองต้องการต่อมาพระเจ้าแผ่นดินทราบเข้าก็มีความเสียใจมากแต่ก็เนื่องจากมีความเคารพนับถืออยู่จึงไม่เอาโทษแต่ก็ไม่มีไม่ให้ความเคารพนับถือเหมือนที่เคยมีอยู่ในอดีต ต่อไปก็ถึงแม้จะมีฤทธิ์มีเดชแต่กับทาตนเองไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ไม่เป็นผู้วิเศษได้ไม่เป็นผู้ที่น่าเคารพเนื่องใสนี่นี่คือผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีสติไม่มีปัญญาแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก ไม่ได้เจริญไปทางปัญญาเพราะถ้าไม่ได้เจริญไปทางปัญญาแล้วกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ยังไม่ได้หดหายไปไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใดดังนั้นหลังจากที่เราออกจากความสงบในสมาธิแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป ก็คือเราต้องมาเจริญวิปัสนามาเจริญปัญญามาพิจารณาร่างกายของเราและของผู้อื่นให้เห็นว่าเป็นอนิจจงคือไม่เที่ยมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาให้เห็นว่าเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟให้เห็นว่าไม่สวยงามมีสิ่งปฏิกูลไหลออกมาจากร่างกายตลอดเวลา มีเป็นอสุภไม่สวยไม่งามมีอาการ32สองมีอาการที่ซ่อนเล้นอยู่ใต้ผิวหนังเช่นตับตายไส้พุงต่างๆและเมื่อตายไปก็จะไม่น่าดูเป็นซากศพไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเจริญกัน เพื่อที่จะคลายความกำหนับความยินดีความยึดติดในร่างกายของเราและของผู้อื่น น, นี่คือการกำจัด ก, กิเลสเพราะถ้าเราสามารถพิจารณาจนเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะไม่สวยงามเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกปรก เราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายจะไม่ยึดติดกับร่างกายของเราและของผู้อื่นจะไม่มีความกำหนัดยินดีต่อให้เพื้อผ้าให้ดูก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะจะเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังอยู่เสมอไม่ได้เห็นแต่เฉพาะเพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นแต่จะเห็นอาการ ต, ต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นทั้งอดีตตั้งแต่เกิดมาออกจากท้องแม่ใหม่ๆและเห็นทั้งอนาคตที่ต้องไปนอนในโรงศพถ้าเห็นร่างกายอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความกำหนัดยินดีต่อร่างกายแต่อย่างไรก็จะสามารถรักษาศีลด้บริสุทิ์ ผู้ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นผู้วิเศษที่แท้จริงเป็นผู้ที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาและผู้ที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดก็คือปรมังสุขขังพระบรมประสุขเป็นความสุขที่ ไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้จะสามารถเทียบได้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความชุกไม่มีความทุกข์ผสมอยู่เลยเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขไปตลอดอนันตกาลนี่คือความวิเศษของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ที่การ จริยปัญญาเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปและการที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนจะต้องมีจิตที่สงบนิ่งไม่ออกไปรู้เห็นเรื่องราวต่างๆถ้ารู้เห็นก็อย่าไปหลงกับสิ่งที่รู้ที่เห็นพยายามทาจิตให้สงบนิ่งให้แน่นานเท่าไหร่ยิ่งดี เรจะเป็นกาลังสนับสนุนในการเจริญปัญญาพิจารณาดูอาการต่างๆของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันและการที่จะทำให้มีสมาธิได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นต้องมีสติควบคุมใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาใจคิดอะไรก็จะต้องมีสติประกบตามรู้อยู่ตลอดเวลาใจคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็ต้องรู้อยู่กับการคิดการพูดการกระทำนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พูดกำลังพูดกำลังทำอย่างหนึ่งแล้วก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรอยู่ก็ต้องอยู่กับการกระทำพูดอะไรก็ต้องอยู่กับการกระทำ คิดอะไรก็ต้องไม่ให้อยู่กับความคิดถึงจะเรียกว่ามีสติ ค, คอยเฝ้าดูแลใจเมื่อมีสติแล้วพอจะควบคุมใจให้สงบนิ่งให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธก็ใจก็จะสงบนิ่งได้อย่างง่ายดายเพราะใจไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนั่นเองเมื่ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวไม่นานใจก็จะรวมตรง สู่ความสงบและการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนการจะมีศีลก็ต้องมีทานเป็นผู้สนับสนุนการจะมีทานได้ก็ต้องมีความมักน้อยสันโดษอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายนี่คือข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกัน ถ้าเราปฏิบัติอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วรับรองได้ว่าจะไม่กลายเป็นคนบ้าไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่า